แต่หมอตำรวมีญาติคนไข้อยู่ด้วยนะไปจับตัวเขาด้ไม่มีไม่มีญาติอยู่ด้วยเดี๋ยวเขาว่าราเลรอลวงอะไรไม่ได้นะคือมีการคือการเาเรียกเอเอไอสัมผัสเทโล ป, ปีเขาเรียกอะไรไนะเจอทัการทัสกันไอ้นวดอะไรบางอย่างคือเขาจะเขาสาคัญนะตรงนี้นะ บางทีมันสามารถแทนที่เราจะพูดเป็นหลายๆนาทีอ่ะพอสัมผัสนี้มันรู้สึกออใช้เวลาสั้นแต่ว่านี่นนนส่วนหนึ่งเนะีเพราะฉะนั้นเองก็ในภากปฏิบัติถ้าหากว่าเราทั้งใช้คําพูดใช้อกับกบุริยาและใช้การสัมผัสในการดูแลรักษาอ่าดนั้นก็คงจะต้องไปฝึกในด้านนี้ด้วยเนะี่ยการสอนดุมปราณ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 มืนกับคนกำลังป่วยพูดต่อหน้าเราเนี่ยอารมณ์เขาป่วยแทนที่เราจะไปนึกเป็นไอลบอะนะจิตเป็นบวกทันทีเลยพมือ่อคนป่วยก็พูดแบบนี้นเพราะนั่นก็เห็นใจแล้วก็ลูปหน้ารูปหน้ารูปหลัลงสักพักหนึ่งเขก็เข้าใจละนะแต่ถ้าเราไปโกรธเขาหน้าบึง้งเสีก็เถียงกขาเนี่ยเป็นเรื่องเลยทีนี้แต่ก็เออเดี๋ยวใจจะเย็นหะน้ามีอะไรก็คุยกันนะเลยนะ <laughs> ยังจับเลยยัม <laughs> จับเลยเขาพัฒนาสาธุเขาก็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 นะอย่าไปใกล้เกี่ยวกินด่างนะถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้กันแล้วเราไม่ได้อะไรจากกันเลยเนี่ยวันหนึ่งก็ตายจากกันป่วยจากกันป่วยไม่ได้อะไรเลยอยู่วัดป่วยไม่ได้อะไรเลยมาวัดเนี่ยอย่าพูดถึงงนั้นไม่ได้แล้วเพราะเราอยู่แล้วเราไม่เอาเองนะนก็ขอให้ตั้งใจอย่างเข้มแข็งในการที่จะพุทปฏิบัติให้เข้มแข็งไปด้วยกันทุกคนทุกท่านทีอ